เจริญพรท่านผู้มีจิตสธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบ ผลงานความดีต่างๆเช่นการให้ทานรักษาศีลฝังเทศฝังธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะกายกระทาเป็นเหตุที่จะนำมาสู่ผลที่พวกเราปรารถนากันนั่นก็คือความสุขและความเจริญพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชน ให้มีความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่ทรงตัดไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีแล้วจะมีความสุขความเจริญทำชั่วแล้วจะมีแต่ความเสือ่อมมีแต่ความทุกข์ดังนั้นพวกเราจึงควรที่พยายามจะทำความดีกันตลอดเวลา ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามาที่วัดเท่านั้นเราสามารถทำความดีได้ทุกเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เราเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเราต้องคิดดีพูดดีและกระทาดีต่อบุคคลที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย การที่เราจะคิดดีพูดดีและทำดีได้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเจริญคุณธรรมความดีอยู่สประการด้วยกันคือ 1. ความเมตตา 2. ความกรุณา 3. าความมุนิตาและ 4. ความอุเบกขานี่คือ คุณธรรมที่พุทธศาสนกชนควรจเจริญอยู่อย่างสม่ำเสมอทั้งเวลาที่อยู่ตามลำพังและเวลาที่ได้พบกับบุคคลต่างๆอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่เราอยู่ตามลำพังเราจะเริญนความเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขา ก็เป็นเหมือนกับการทำการบ้านเป็นการเตรียมตัวเตรียมตัวเรายังไม่ได้เข้าห้องสอบเช่นเวลาเราอยู่บ้านนั่งสมาธิไหว้พระสมนเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาเอาเวลาหหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรกันเถิด อันนี้เป็นการสอนใจเราไม่ให้เราไปมีเวทมีกรรมกับผู้อื่นอัปปยาปชาหงตุไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นอาจมีคาโหงตุให้ให้มีความปรารถนาให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขที่อั ต, ตานาปาริหานตุ ให้มีความสุขรักษาตนอันนี้เป็นการซ้อมสองใจไว้ล่วงหน้าก่อนเพราะถ้าเราไม่ได้ซ้อมก็เหมือนกับนักเรียนที่ไม่ได้ทำการบ้านไม่ได้ดูหนังสือเวลาไปเข้าห้องสอบก็จะสอบไม่ผ่านจะสอบตกแต่ถ้าได้ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ ได้ดูหนังสืออย่างสม่ำเสมอพอเวลาเข้าห้องสอบก็จะผ่านได้อย่างสะดวกสบายฉันใดการที่เราจะมีความเมตตากรุณามูลิตาอุเบกขาในเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการทำการบ้านของเราถ้าเราทามาอย่างโชคชน ทำมาจนติดเป็นนิสัยเวลาอยู่ในเหตุการณ์จริงเราก็จะสามารถแผ่เมตตากรุณนามุริตาและอุเบกขาให้แก่ผู้อื่นได้เช่นเวลาที่ผู้ทํานทำให้เราเสียใจหรือทำให้เราโกรธเราก็ต้องแผ่เมตตาทันทีคือเราต้องเราต้องให้อภัย ไม่จองเวรจองกรรมนี่คือการแผ่เมตตาเวลาผู้อื่นเขาทำร้ายเราคิดร้ายกับเราหรือพูดกล่าวร้ายเราท่านไม่ท่านสอนไม่ให้เราไปอาฆาตพยาบาทไปโกรธไปเกลียดไปจองเวรเพราะมันจะเป็นโทษกับตัวเราและกับผู้อื่นต่อไป โทษเบื้องต้นที่เกิดกับตัวเราก็คือใจเราจะร้อนขึ้นมาเป็นเหมือนไฟนรกความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทนี้เป็นไฟนรกที่จะเผาใจของเราไม่ให้อยู่อย่างมีความสุขได้เลยแต่ถ้าเราเอาน้ำแห่งความเมตตาคือการให้อภัยไม่ถือโทษโกดเคือง เอาโหสิกรรมทิดเสว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทำไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปลบไม่ให้มันเกิดขึ้นได้สิ่งที่เราลบได้ก็คือความจำที่ยังมีอยู่ในใจของเราถ้าเราลืมได้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทต่างๆก็จะหายไป เหมือนในขณะนี้ <c oughs> เราลืมเรื่องต่างๆที่ผ่านมาในอดีตเรื่องที่ทำให้เราโกรธให้เราเสียใจตอนนี้เราลืมไปหมดแล้วใจของเราจึงสงบนิ่งเย็นสบายไม่ต้องไปทำอะไรที่จะทาให้เกิดความเสียหายขึ้นมาทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่น ถ้าเวลาที่ผูพูดพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราแล้วเรายับยั้งอารมณ์ไม่ได้เราก็จะต้องไปพูดไม่ดีทาไม่ดีกับผู้นั้นแล้วก็อาจจะต้องเกิดการทะเลาะแิว้งเกิดการทำร้ายกันถ้าเป็นคู่รักกันก็อาจจะต้องแยกทางกันไปเพราะชั่วอารมณ์ชั่วอวู้ที่ไม่เคย ฝึกดับมันด้วยความเมตตานี้เองแต่ถ้าเราฝึกซ้อมแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆคิดให้อภัยอยู่เรื่อยๆคิดไม่จองเวรอยู่เรื่อยๆเวลาที่มีอะไรมากระทบกับใจที่ทําให้เราโกรธให้เกิดความอาฆาตพยาบาทเราก็จะได้รีบดับได้ทันที ความเมตตานี้เป็นเหมือนน้ำดับไฟไฟนรกที่เาผาผลาญจิตใจของเราถ้าเราไม่ดับไฟนรกนี้จะฉุดลากให้เราไปตกนรกต่อไปเพราะเราจะต้องไปพูดร้ายทำร้ายผู้อื่นดังในที่สุดวิบากก็คือนรกก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปแต่ถ้าเรามี ไฟน้ำแห่งความเมตตาอยู่ใกล้ตัวตลอดเว ล, เวลาเวลาเกิดไฟนรกขึ้นมาเราก็เทน้ําแห่งความเมตตานี้ดับได้ทันทีน้ําแห่งความเมตตานี้ก็เป็นเหมือนน้าที่เขาใช้ดับเพลิงลดดับเพลิงนี้จะต้องเตียงน้ําไว้เสมอพอถึงเวลาที่จะต้องไปดับเพลิง ก็จะได้ดับได้ทันทันทีทันใดถ้ารถดับเพลิงไม่มีน้ำก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่สามารถดับไฟที่เผาบ้านช่องได้ฉันใดการที่เราเจริญเมตตาการุณาวุญิตาอุบเบกขาอยู่อย่างต่อเนื่องก็เป็นเหมือนกับเตรียมน้ำไว้สำหรับมา ดับไฟที่จะมาทำให้เราต้องไปคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายแล้วก็ต้องไปรับวิบากกรรมต่อไปพอเราดับความโลกพอเราดับความโกรธความแค้นได้เราก็จะอยู่อย่างปกติดได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปทำอะไรกัน ใครด่าก็ด่าไปแล้วใครทาร้ายก็ทําร้ายไปแล้วเรื่องมันก็จบไปแล้วเราอยากไปสร้างเรื่องขึ้นมาใหม่ด้วยการไปพูดร้ายทาร้ายผู้อื่นเพราะมันจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นพอเราไปทําร้ายไปพูดร้ายกับผู้อื่นผู้อื่นก็จะกลับมาพูดร้ายทาร้ายกับเราต่ออีก สลับกันไปทำกันไปแล้จะดุนแรงเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสงครามขึ้นมาเพราะว่าไม่ได้ฝึกซ้อมการแผ่เมตตากรุณามุดิตาอุเบกขานี่เองนี่คือคุณธรรมข้อที่หนึ่งที่เราควรที่จะเจริญอย่างสม่งเสมอคือให้เราเจริญตามบทที่เราสวด แต่เราอย่าสวดแบบนกแก้วคือสวดแล้วไม่เข้าใจความหมายเช่นเอาเวลาหงตุนี่หมายถึงว่าขอให้เราอย่าไปมีเวณมีกรรมกับผู้อื่นขอให้เราเชื่อหลักธรรมคำสอนที่ทรงตัดไว้ว่าเวนย่อมไม่ระนับด้วยการจองเวณแต่เวณย่อมระนับด้วยการไม่จองเวณ และการระงับเวรนี้ก็จะระงับความรุ่มร้อนของจิตใจและป้องกัน <c oughs> ไม่ให้เราไปสร้างนรกขึ้นมานั่นเองหนึ่งในคุณสมบัติของความเมตตาเอาเวราโหรตุไม่มีเวรกับใครแล้วยังมีข้อที่สองก็คืออัปยาปชาโหรตุก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่น เวลาเราโกรธหรือเราโลคเราต้องระนับการกระทำของเราที่จะไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นเราต้องไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ไปพูดปดโกหกหลอกลวงเพราะการกระทำแบบนี้จะเป็นการเบียดเบียนเป็นการทำร้ายผู้อื่น ทำให้เขาต้องทุกข์และเดือดร้อนเราก็อยากไปทำถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความเมตตาผู้ที่มีเมตตานั้นจะไม่เบียดเรียนผู้อื่นและข้อที่สผู้ที่เมตตาก็จะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคือเป็นความปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีแต่ความสุขกายสุขใจ ไม่มีความทุกข์กายทุกใจเราอย่างเวลาในะช่วงปลายปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกเราก็แผ่เมตตากันด้วยการส่งสอกร ส, ส่งความปรารถนาดีอำนวยความสุขให้ต่อกันและกันนี่ก็คือเป็นการแผ่เมตตา แต่เราไม่ควรจะรอแผ่ตอนเฉพาะวันซึ่งปีใหม่วันขึ้นปีใหม่เราควรจะแผ่ทุกเวลาที่เราสัมผัส พ, พบปะกับบุคคลต่างๆเวลาเจอใครถ้ายิ้มได้ทักทายกันได้ก็ควรจะยิ้มทักทายกันอย่าไปหน้าเบื่อใส่กันอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดกันเพราะมันไม่ทําให้เรามีความสุข มันจะทำให้เรามีความทุกข์โดยใช่เหตุเพราะความสุขและความทุกข์ก็ได้แสดงไว้แล้วว่าไม่ได้อยู่ที่กะผู้อื่นหรือสิ่งอื่นแต่อยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเราคิดดีมีความเมตตาต่อผู้อื่นเราก็จะมีความสุขขึ้นมา ท, าทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นเขามีเมตตากับเรา เราไม่ต้องไปรอให้เขาทักทายเรายิ้มให้เราหรือชื่นชมยินดีกับเราเราไม่ต้องรอบุคคลอื่นให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาถ้าเราคิดดีมีความเมตตาต่อผู้อื่นถ้าเราไปรอให้ผู้อื่นเขาให้ความสุขกับเรา ถ้าเขาไม่ให้เราก็จะเสียใจแล้วเราก็อาจจะโกรธเขาได้นีเน่เป็นการให้ความสุขกับเราที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกทางทางที่ถูกเราต้องให้ความเมตตาต่อผู้อื่นเราต้องให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น แล้วความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นมาในใจเราทันทีดังที่ทรงตัดไว้ว่าให้สุขแก่ผู้อื่นสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ทุกข์แก่ผู้อื่นทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราดังนั้นเราไม่ต้องไปรอให้ผู้อื่นให้ความสุขกับเราเพราะเราสามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาด้วยการแผ่เมตตา มีปะมีความปรารถนาดีปรารถนาให้เขามีความสุขมีความเจริญนี่คือข้อที่หนึ่งคือความเมตตาข้อที่สองก็คือให้เรามีความกรุณาแปลว่าให้มีความสงสารในความทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือไม่รักก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดราาัจฉานไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือเป็นขรหัสหรือเป็นพระนัก บ, บวชหรือเป็นขาลาว่า <c oughs> เราควรที่จะมีความกรุณาให้กับทุกๆคนเท่าๆกัน ส, สัตเพสัตตาให้มีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งปวงต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เวลาเราอยู่ในเหตุการณ์เห็นผู้ใดตกทุกข์ได้ยากลำบากเราพอที่จะให้ความช่วยเหลือได้เราก็ไม่ควรที่จะมองหนีไปเดินหนีไปควรที่จะช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้ให้สมกับเหตุผลไม่ต้องช่วยจนเกินฐานะของเราและเกินเหตุผล การช่วยเกินเหตุผลนี้ก็หมายถึงว่าเช่นคนล้มก็ช่วยประยุงให้เขาลุกเดินขึ้นไปพอเขาเดินได้แล้วก็จบไม่ต้องอุ้มไม่ต้องแบกเขาไปเพราะว่าทําอย่างนั้นแล้วจะทําให้เขาเสียนิสัยแทนที่เขาจะคิดพึ่งตัวเองเขาก็จะคอยคิดพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆพอขาดแขนอะไรเดือดร้อนอะไร ก็จะมาให้ผู้อื่นคอยช่วยเหลือดังที่มีสุภาษิต ท, ที่สอนไว้ว่า <c oughs> เวลาจะช่วยผู้อื่นนั้นต้องช่วยเขาแบบสอนให้เขารู้จักหาปลาอย่าไปให้ปลาเขาในตอนต้นก็ให้ปลาเขาไปเวลาถ้าเขาไม่มีอาหารรับประทานแต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องสอนวิธีการหาปลา ให้กับเขาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าเขารู้จักหาปลาได้เองแล้วเขาก็จะได้ไม่ต้องมาขอปลาเราอีกเวลาที่เขาไม่มีอาหารรับประทานแต่ถ้าเราไม่สอนให้เขารู้จักหาปลาเราคอยให้ปลาเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะต้องมาขอเราไปจนวันตายเพราะเขาจะไม่รู้จักวิธีหาปลา จั้นใดเหมือนเวลาที่เราเลี้ยงลูกเราก็ต้องรู้จักเลี้ยงลูกไม่ให้ลูกนั้นกลายเป็นคนพิการไปเราต้องให้ลูกรู้จักทำมาหากินได้ด้วยตัวเองเช่นต้องสอนให้เขาหาวิชาความรู้เพราะวิชาความรู้นี้จะเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินเราก็ส่งเสริมให้เขาได้เรียนหนังสือ สูงสูงเพราะว่าเมื่อเขาจบแล้วเขาก็จะได้ไปทำมาหากินของเขาได้ไม่ต้องมาพึ่งไม่ต้องมาข้องเงินจากเราแต่ถ้าเราสงสารเขาไม่อยากให้เขาไปเรียนหนังสืออยากให้เขาอยู่เฉยเฉยอยู่บ้านให้เขาได้เล่นได้สนุกสนานเฮฮาอยู่ตลอดเวลาให้เงินเขาใช้ เวลาก็อยากจะได้อะไรก็ให้เงินเขาไปซื้อมาให้ไปเที่ยวแต่เขาจะไม่รู้จักวิธีหาเงินหาทองเพราะเขาไม่มีความรู้ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปเรียนหนังสือแล้วพอเพอเราแก่เรารือเราตายไปเขาก็จะไม่สามารถพึ่งตัวเองได้งเงินทองที่เราทิ้งไว้ให้เขาเขาก็จะใช้จน เพราะเขาจะไม่รู้จักวิธีหาเงินหาทองดังนั้นการที่เราจะช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องดูสงเคราะห์ตามเหตุตามผลตามความจาเป็นตามความต้องการถ้าเขาขาดอาหารก็หาอาหารมาให้ถ้าเขาขาดยารักษาโรคก็หายารักษาโรคมาให้ ขาดเสื้อผ้ากาดที่อยู่อาศัยเราก็หามาให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องบอกเขาว่าเขาต้องรู้จักหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาไปได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องของความกันณาขอให้เราคิดว่าพวกเราทุกคนอยู่ในโลกของกฎแห่งกรรมมีเจริญมีเสือ่อม มีมีสุขมีทุกข์ชีวิตของเราบางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ตกต่ชีวิตของคนอื่นก็เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากก็ขอคิดถึงว่าเผื่อเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากบ้างว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราไม่ตกทุกข์ได้ยากเราพอจะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ขอให้เราช่วยเหลือเขาไปเถอะ แ้วเวลาเราตกทุกข์ได้ยากจะมีคนอื่นมาคอยดูแลช่วยเหลือเราอย่าแงแน่นอนนี่คือข้อที่สองคือกรุณาความสงสารข้อที่สก็คือมุทิตาความมีความชื่นชมยินดีกับความสุขและความเจริญของผู้อื่นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขา ได้มีความสุขได้มีความเจริญก้าวหน้าเราควรที่จะแสดงความชื่นชมยินดีอย่าไปมีความอิดชาฤิสยาเพราะความอิดชาฤิสยานี้จะทาให้จิตใจเรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์และก็จะทำให้เราคิดไม่ดี ูไม่ดีทำไม่ดีเช่นนักกีฬาเวลาแพ้ก็ต้องชื่นชมยินดีกับการชนะของคู่ต่อสู้อย่างนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นนักกีฬาการที่เขามีกีฬาให้แข่งขันกันนี้ความจริงก็เพื่อให้เราได้รู้จักคำว่ามุดิตานี้เองการเล่นกีฬานี้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่รางวัลผลตอบแทน ชื่อเสียงหลงดังการเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดกันไปคิดว่าชนะแล้วจะจะดีจะมีความสุขแต่ความจริงคนที่แพ้เรามีความชื่นชมยินดีกับคนชนะนี้ต่างหากที่จะเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญมุติตาเสมอ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เรารักหรือไม่รักก็ตามคนที่เรารักนี้ไม่ยากสําหรับการแสดงความชื่นชมยินดีแต่คนที่เราไม่รักหรือคนที่เราเกลียด น, นี้จะเป็นคนที่เราจะแสดงความชื่นชมยินดีได้ยากแต่ก็ไม่สุดวิสัยถ้าเราทําได้ เราจะมีใจที่ที่สูงขึ้นที่ดีขึ้นเพราะเราสามารถมีความสุขไปกับความความสุขของคนที่เราไม่ชอบได้เช่นคู่ต่อสู้ของเรานั่นเองนี่คือการเจริญมุนิตาขอให้พยายามเจริญอยู่เรื่อยๆแล้วชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์ เวลาที่เรามีความพ่ายแพ้เราจะยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีแพ้มีชนะบ้างกันสลับกันไปบางเวลาก็แพ้บางเวลาก็ชนะเวลาชนะก็อย่าไปอย่าไปแสดงอาการดูถูกผู้แพ้ควรที่จะแสดงความกรุณาต่อผู้แพ้ ส่วนเวลาเราแพ้ก็ควรที่จ ะ, สะแสดงมุนิตาจิตต่อผู้ที่ชนะแล้วทั้งผู้ที่ชนะและผู้แพ้ก็จะมีความสุขไปพร้อมๆกันนี่คือเป้าหมายของการแข่งขันกันเพื่อฝึกซ้อมให้เราได้เจริญมุนิตาคือความชื่นชมยินดีกับความสุขและความเจริญของผู้อื่น ข้อที่สี่ที่เราต้องเจริญก็คืออุเบกขาอุเบกขานี้แปลว่าความเป็นกลางทำใจไม่ให้ดีใจหรือเสียใจเพราะว่าในบางเวลาในชีวิตของเราเราจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากทำใจให้เป็นอุเบกขาเช่นเรา มีคนที่เขาไม่ชอบเราเราก็แผ่มเมตตาพยายามทักทายสนทนาแต่เขาไม่ยอมที่จะสนทนาทักทายกับเรา<ม>เวลาเขาเดือดร้อนเราก็จะพยายามให้ความช่วยเหลือกับเขาเขาก็ไม่ยินดีเวลาเขามีความสุขมีความเจริญเราพยายามแสดงความ ชื่นชมยินดีกับความสุขกับความเจริญของเขาเขาก็ไม่ยินดีถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาอย่าไปเสียใจคิดเสียว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้ไปมากไปกว่านี้การเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทาให้เราทุกข์ใจไปเปอ่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องป้องกันความทุกข์ใจของเราด้วยการทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาให้เป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจคิดเสียว่ามันเป็นเรื่องของกรรมไปก็แล้วกันเรื่องของเวรไปก็แล้วกันชาติก่อนเราคงเคยมีเวรมีกรรมกันมาชาตินี้เขายังไม่ยอมให้อภัย เขายังจองเวรจองกรรมอยู่เราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้แต่เราจะไม่ไปตอบโต้เราจะไม่ไปคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายเพราะว่าจะทำให้เรามีความทุกข์ใจขึ้นมามากขึ้นจะทำให้จิตใจของเราตกต่ำและจะทำให้เราต้องไปรับวิบากกรรมที่ไม่พึงปาถา และจะยืดเวรกรรมให้ยาวออกไปอีกแต่ถ้าเราทําใจเป็นอุเบกขาเราเฉยๆเขาไม่ยินดีตอบความคิดดีพูดดีทําดีของเราก็ช่วยไม่ได้ก็ถือว่าต่างคนต่างอยู่กันก็แล้วกันแต่ถ้าเขาจะคิดร้ายพูดร้ายทําร้ายเราเราก็จะไม่ตอบโต้เราจะขอ รับใช้วิบากกรรมของเราเพราะว่าถ้าเราตอบโต้แทนที่จะทำให้กรรมมันหมดเวรมันหมดมันกลับจะไปเพิ่มเวรเพิ่มกรรมให้มีมากขึ้นไปอีกด้่นเองนี่คือการมีคุณธรรมสี่ประการที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดีได้และเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีได้ ใจของเราก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามใจของเรานี้จะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนจะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาดังในอนิสงของของเมตตาว่าผู้ที่มีความเมตตานั้นย่อมอยู่เป็นสุข เวลาหลับก็นอนก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นทำร้ายด้วยยาพิษก็ดีด้วยสัตว์าวุฒก็ดีนี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้มีความเมตตาและมุดิตาการุณาอุเบกขา จึงขอฝากเรื่องของการเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือความเมตตากรุณามุนิตาและอุเบกขาให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้